พวกเรารู้จักเทวทูตรหรือเปล่านะเทวทูตมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาต้องรู้นะว่าเทวทูตนี่มาเยือนมาตักเตือนเราเมื่อไหร่ไม่งานเวลาตายไป ยมบาลถามว่ารู้หรือเปล่านะเวลาเทวทูตมาเตือนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะเดือดร้อนในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งพูดถึงคนซึ่งทำชั่วแล้วก็ทายพอตายไปก็ไปเจอยมบาลยมบาลก็ซัก ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย <c oughs> เคยเห็นเทวทูตบ้างไหม <c oughs> คนชั่วก็บอกว่าไม่เคยเห็นเออยู่มาบางก็เลยบอกว่าแล้วเคยเห็นคนแก่ไหมเคยนั้นแหละเทวทูตแหละเมื่อเจ้าตอนอยู่ในโลกนี้ เทวทูมาเตือนแต่ก็ไม่ตรนักไม่สํานึกยังทำชั่วอยู่ก็เลยโดนอายจญพบาลลงโทษที่จริงอจยุพบาลก็ถามิ่งแว่านอกจากคนที่แก่ถามว่าเคยเห็นคนแก่ไหมก็ยังถามิ่ว่าเคยเห็นคนเจ็บ ด, ด้วยหรือเปล่าก็ตอบไม่เคยเห็น ชมบาลก็บอกว่าเนี่ยคนเจ็บนั่นแหละคือเทวทูตมาเตือนแล้วก็ยังทําชั่วอยู่สํานึกบางหรือเปล่าไม่สํานึกก็ถูกลงโทษคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็เป็นเทวทูตเช่นกันชมบาลก็ถามว่าเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเทวทูตเลยไม่สํานึก ทำชั่วก็ยิ่งถูกลงบาบัญบาบาลงโทษโยบายยังถามไ่าเวลาเห็นตอนที่มีชืวออยู่ในโลกนี้เห็นคนชั่วถูกลงโทษบางหรือเปล่าก็บอกเคยเห็นนั่นแหละเทวดาทูตเจ้าเห็นแล้วก็ยังไม่สํานึกยังทำชั่วอยู่นะก็เลยโดนลงโทษ พวกเราทุกคนก็เคยเห็นทั้งนั้นใช่ไหมคนแก่คนเจ็บคนตายคนที่ทำชั่วแล้วถูกลงโทษเราตอนหนักบ้างหรือเปล่าว่านั่นคือเทวทูตจริงแม้ไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเป็นหรือว่ากำลังเป็นอยู่เช่นเวลาเรา เจ็บเวลาเราแก่นะให้รู้ว่านั่น่ะคือเทวทูตมาเตือนเราเวลาเรามองกระจกแล้วเห็นหน้าตาที่เหี่ยวยน่นนะผมหงอกหรือว่าฟันฟางเริ่มไม่ดีอย่ามัวแต่ทุกข์อย่ามัวแต่เสียใจให้ตั้งสติแล้วก็รู้ว่าเนี่ย คือเทวทูตมาเตือนเราเวลาเจ็บก็เหมือนกันเราทุกคนก็เคยเจ็บเคยป่วยทั้งนั้นเคยเฉลียวใจเคยตระหนักบ้างหรือเปล่าว่าเทวดทูตมาเตือนแล้วนะเทวดทูตมาเตือนถ้าเราตระหนักอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มัวเสียใจ ไม่มัวกลดาชะตากรรมหรือว่าตีโพยตีภายว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมชั้นถึงต้องป่วยทำไมชันถึงต้องแก่เมื่อเราตระหนักว่านี่คือเทวดาทูตมาเตือนเราก็จะได้เกิดความไม่ประมาทนะอย่าไปรอเรียกแต่ ให้เทวดามาอารักขาคนเราชาวพูดหลายคนเวลาทำบุญก็อยากจะให้เทวดามาอารักขามาปกป้องเพยยียงอันตรายอันนั้นยังไม่ประเสริฐเท่ากับการที่มีเทวดาเป็นทูดมาเตือนเรียกว่าเทวดาูดมาเตือนว่าเนี่ย เรากำลังแก่นะเราหนีความเจ็บไม่พ้นน ะ, นะเขาเตือนว่าเราในที่สุดเราก็ต้องตายความแก่ความเจ็ บ, ค, จบคือสัญญาณเตือนว่าในที่สุดเราต้องตาย <นะ S 1> เมื่อเราลึกเช่นนี้ก็จะเกิดความไม่ประมาทขึ้นไอ้ที่เคยทำชั่วก็ ่าจะได้สติที่เคยใช้ชีวิตอย่างไร้สาระก็ จ, จะหันมาใช้ชีวิตใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากขึ้นมีเทวดามารักขาให้ปลอดพ้นจากอันตรายก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการที่เราเห็นเทวทูตอยู่เป็นประจำนะ โดยว่าเห็นจากกายนี้นะกายนี้เนี่ยสามารถจะเป็นเทวทูตเป็นสัญญาณเตือนให้แก่เราตลอดเวลามอร์นี้แง่หนึ่งเนี่ยนะความแก่ความเจ็บมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้ามองแบบนี้ความแก่ความเจ็บความป่วยจะกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาทันทีถ้าเรามองว่า น, นี่คือสัญญาณเตือน ถึงความไม่เที่ยงที่จริงมันมีสัญญาณเตือนให้แก่เราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สังเกตนอกจากความแก่ความเจ็บยังไม่ต้องพูดความตายนะที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเราบางทีเราประสบกับความพัดพลากสูญเสียเงินหาย โทรศัพท์หายหรือว่าแก้วแหวนเงินทองหายคนที่ไม่ฉลาดก็จะเสียใจแลความเสียใจเวลาของหายเนี่ยเรียกว่าไม่ฉลาดก็เพราะว่าเสียของแล้วมันก็ขาดทุนพออยู่แล้วยังมาเสียใจ เป็นการซ้ำเติมตัวเองเจอธนูดอกแรกแล้วไม่พอใจยังเอาธนูดอกที่สองมาปัก อ, อกตัวเองธนูดอกแรกคนอื่นทำให้คนอื่นยิงมาแต่ธนูดอกที่สองนี่เราปัก อ, อกเองก็คือเสียใจที่ของหายเสียเงินหรือเหมือนกับคนที่เสียมือเสียแขนไป เสียอวัยวะไปด้วยความเจ็บความป่วยรูปปติเหตุอันนี้คนอื่นทำให้แต่ถ้าเสียใจกลุ้มใจท้อแท้หมดหวังหมดอะไรตายอย่างในชีวิตอันนี้คือธนูหลอกที่สองที่เราปัก อ, อกตัวเองไม่มีใครมาบังคับให้เราต้องเสียใจไม่มีใครมาสั่งให้เรากลุ้มใจ คนอื่นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยเสียของรักเสียทรัพย์เสียอวัยวะแต่ไม่มีใครจะสั่งให้เราเสียใจไม่มีใครจะสั่งให้เรากลุ้มใจได้มีแต่เราที่เราทํากับตัวเองอันนี้ถึงเรียกว่างงเงยไม่มีปัญญา คนนี้ถ้าเกิดพุด่งไปัญญาเนี่ยนอกจากจะไม่เสียใจเสียแต่ของเนีเสียแต่อวัยวะเสียเท่านั้นไม่เสียใจนอกจากไม่เสียใจแล้วยังได้ธรรมะเกิดปัญญาได้สติขึ้นมาก็คือ ได้สติว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเขากาลังแสดงธรรมให้กับเราอยู่ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงของที่อยู่กับเราไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดแม้แต่อวัยวะที่เราแสนรักแสนหวงก็ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปได้ตลอดการ ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยก็ได้ปัญญาแล้วก็เป็นการเตือนสติให้เราได้เห็นสัจธรรมอย่างนี้เรียกว่าได้กำไรนะได้กำไรคือนอกจากจะไม่เสียใจแล้วก็ยังได้ธรรมะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทคนโง่นะเสียอย่างเดียวไม่พอเสียสองอย่างคือเสียทั้ง วัตถุเสียทั้งจิตใจแต่ถ้าฉลาดขึ้นมาหน่อยเสียอย่างเดียวแต่ถ้าฉลาดมองว่านี่คือสัญญาณเตือนหรือเป็นเทวทูตก็จะได้กำไรนะได้กำไรก็คือได้ธรรมะเราต้องหัดมองแบบนี้นะว่าสิ่งไร้ๆที่เกิดขึ้นกับเรา โดยเพราะความพลัดพ้วสูญเสียจากสิ่งที่รักไม่มีใครชอบเราก็มองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้กับเราก็ถือว่าเป็นเคราะห์แต่ผู้ที่มีปัญญาเขาจะใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ผู้มีปัญญาจะใช้ทุกอย่างทุกเหตุการณ์ให้เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งร้ายๆก็ทำให้เป็นของดีหรือทาให้มีประโยชน์ได้ เช่นมันเป็นเครื่องสอนธรรมะแกเรานะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราโดยเพราะสิ่งไร้ลา ย, ลายนีย่มันจะต้องมีประโยชน์อย่างน้อยสองอย่างอันที่หนึ่งคือมันสอนธรรมะแกเราไม่ว่าความป่วยความเจ็บความสูญเสียความพัดพลาดงานการที่ไม่สำเร็จ ันนี้เขากาลังสอนธรรมะแกเราสอนเรื่องความไม่เที่ยงก็ได้นะสอนว่ามันไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะสอนว่าทุกอย่างมันเจอไปด้วยทุกข์สอนว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับควบคุมได้สักอย่างเดียวก็คืออนัตตา นี่อย่างน้อยๆเนี่ยมันสอนเราอย่างนี้นะเวลามีคนด่าเราเวลามีคนตําหนิเราอย่ามัวแต่โกรธอย่ามัวแต่เสียใจให้ตั้งสติแล้วก็ระลึกจะถึงจะระลึกได้ว่าอ๋อดินทาความตำหนิเป็นธรรมดาโลกเมื่อวานนี้เพิ่งมีคนชมอยู่เมื่อเช้านี้ยังมีคนสรรเสริญเราเลยเอาวันสักครู่ประเดี๋ยวเดี๋ ถูกตำหนิแล้วบางทีคนตนําหนิก็เป็นคนเดียวกับคนที่เคยสารเสริญเคยชื่นชมเราชี้เห็นเว่าสารเสริญกับนินทามันของคู่กันเป็นธรรมดาโลกอันนี้เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมคือธรรมดาโลกนะเขาสอนเราถ้ามองแบบนี้ก็เกิดปัญญา นอกจากสอนเราแล้ ว, ลวยังฝึกใจเราได้ด้วยฝึกอย่างไรไก็ฝึกให้เราอดทนฝึกให้เราเข้มแข็งอันนี้อย่างต่ำาๆเลยนะฝึกให้เราอดทนฝึกให้เราเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งถ้าเราไม่อดทนเราก็ทุกฝึกให้เราไม่ประมาทความแก่เห็นคนแก่แล้วต่อไปเราก็จะต้องแก่เหมือนเขาเห็นคนเจ็บต่อไปเราก็จะเจ็บเหมือนเขา เห็นคนตายต่อไปเราก็จะตายเหมือนเขาเราก็จะต้องไม่ประมาทอันนี้มันเป็นการฝึกให้เราขวนขวายเร่งทำความเพียรหรือว่าเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเองอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อสองสวันก่อนเราเจ็บเราป่วยก็อย่าเอาแต่เศร้าซึมว่าทำไมฉันโชคร้าย ต้องมองว่าเนี่ยยังดีนะที่เราไม่เจ็บหนักกว่านี้ถ้าเราเจ็บหนักกว่านี้เราคงจะทําอะไรได้ยากตอนนี้นี่เรายังทําอะไรได้อยู่แม้เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะรีบขนขวายไม่งอเมืองอไม้อันนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเองว่าให้จะหนักถึงเรื่องอน า, อนาคตภัยอนาคตภัยคือว่าแม้เราเจ็บเราป่วยแต่อนาคตจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้น ตอนนี้ยังทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำนะอย่างญาติโยมหลายคนในที่นี้ก็แม้จะมีอายุแม้จะมีวัยชราแต่ก็ไม่ท้อไม่ถอยนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันแกแล้วคนยังทำอะไรไม่ได้แล้วคนที่คิดแบบนี้เนี่ยตอนหนุ่มตอนสาวก็มีข้ออ้างเหมือนกันคือตอนหนุ่มตอนสาวก็คิดว่า เอาไว้แก่ค่อยเ ข, ข้าวัดกันแล้วกันมีหลายคนมักจะให้เหตุผลแบบนี้ตอนที่ใชงหนุ่มยังสาวอยู่นะเอาไว้ตอนแก่ค่อยเข้าวัดพอแก่เข้าก็มีข้ออ้างว่ามันไปไหนมาไหนลาบากเดินก็ลาบากนะจะลุกจะยืนก็ลำบากปฏิบัติทำไม่ไหวหรอกนะอยู่บ้านดีกว่านะ หรือว่านั่งนั่งนั่งนอนนอนดูโทรทัศน์ดีกว่าเนี่ยคนเอามีข้ออ้างอยู่เสมอเพราะว่าไม่ได้ตระหนักว่านี่เทวทูตมาเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งไร้ายๆสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นะ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักความแก่ความเจ็บความตายพุ่งนี้นี่เราเรียกว่าทุกข์แต่ว่ามองให้ดีเ้าเป็นครูเ้าเป็นครูมาเตือนมาเตือนให้เราไม่ปพอมากมาสอนทำ ม, มากแก่เราแล้วก็มาฝึกให้เรานะเข้มแข็งอดทนควนขวาย แล้วก็ฝึกให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางด้วย น, นี่สำคัญสำคัญที่สุดนอกจากขวนขวายเร่งทาความเพียรแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะถ้าเราไม่วางเราจะทุกข์มากกว่า น, นั้นเช่นคนที่เสียเงินเสียเงินร้อยเสียเงินพันหรือเสียเงินเหมือนก็ตามถ้าเอาแต่ทุกข์เอาแต่เสียใจ ก็หมายความว่าต่อไปจะทุกข์หนักกว่า น, นั้นเพราะว่าเราจะไม่เสียแค่นี้เราจะเสียมากกว่า น, นี้นี่เขามาเตือนเรานะว่าต่อไปเราจะเสียมากกว่า น, นี้เคยนึกบ้างไหมเสียเงินหมื่นเสียเงินแส น, นเขากําลังบอกเราว่าต่อไปจะเสียหนักกว่า น, นี้เขากําลังเป็นเขากําลังมาฝึกให้เราให้เรารู้จักปล่อยวาง เพราะถ้าเราไม่ไป่อยวางเสียแต่วันนี้เราจะทุกข์หนักในวันหน้าเพราะในอนาคตเราจะเสียมากกว่านี้จะไม่ใช่เสียแค่แสนถ้ามีล้านก็เสียล้านถ้ามีสิบล้านก็เสียสิบล้านเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเราตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเคยมองแบบนี้บ้างหรือเปล่านะว่าไอ้ที่เราเจอความพัดพรากเนี่ย มันเป็นการบ้านที่ฝึกเราเพื่อที่เราจะได้มีภูมิต้านทานความทุกข์ต่อไปถ้าเสียมากกว่านี้เราก็ยังทนได้และฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยไม่ไม่วางวันหน้าเมื่อเสียมากกว่านี้ซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเราจะทําใจได้อย่างไรในเวลาที่คนรักของเราป่วย เราฟูมฟฟเซออกเสียใจแล้วเวลาเขาจากไปเราจะรับมือไหวเหร อ, อความเจ็บความปวยของเขากำลังเป็นสัญญาณบอกเราว่าต่อไปจะเจอมากจะต้องสูญเสียหรือเจอหนักกว่า น, นี้ขณะดเดียวกันก็เป็นการบ้านมาฝึกให้เรารู้จักเข้มแข็งมั่นคง และรู้จักปล่อยวางถ้ามองแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจได้และจะไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคำว่าเคราะห์นะมีแต่สัญญาณเตือนมีแต่เทวทูตนะเวลาเราปวดหัวนะอย่าอย่ามัวแต่กลุ่มอกกลุ่มใจ ให้รู้ว่านี่ก็เป็นเครื่องฝึกเราเหมือนกันว่าท่อย่างไรนะเราจะรับมือกับมันได้บางคนเจอเจอปวดนิดปวดหน่อยก็กินยาไม่เคยฝึกใจเอาไว้รับมือความเจ็บปวดบ้างเสร็จแล้วต่อไปถ้ามันเจ็บปวยหนักมากกว่า น, นี้เราจะทาอย่างไร เดือพอถ้าเจ็บป่วยแบบไม่มียาที่จะบรรเทาได้ลองไม่แย่หรือให้มองว่า้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเป็นการบ้านที่มาฝึกเราเป็นครูนะเป็นครูที่มาให้การบ้านแก่เราให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาแต่กินยาอย่างเดียวไอถึงยาแล้วงับปวดนะะลองฝึกมันดูบ้างนะ เวลาแดดร้อนแดดแรงก็อย่าอย่ามัวแต่หาอะไรมาปกมาปิดมาคลุมลองดูบ้างเออเราจะอยู่กับความร้อนได้ยังไงฝึกเป็นการฝึกให้อยู่กับเวทนาให้ได้เราต้องอยู่กับสอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้นะเพราะว่ายังไงก็หนีไม่พ้นต่อไปก็จะมีทุกขเวทนาแรงกล้า ก, กว่านี้โดยพาอเวลาเจ็บเวลาป่วย โดยเพพาะเวลาที่ระยะสุดท้ายนี่ทุกเวทนามันหนักหนาเอาไม่อยู่ถ้าไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้ฝึกที่จะอยู่กับมันเลยก็เสร็จง่้นจะเห็นได้ว่ามันอะไรที่เกิดขึ้นกับเราที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นของดีที่แอบแฝงมาในรูปของเคราะห์นะมันเปิดเผยมันเป็ น, ปนครูจะมองว่าเป็นมิตรก็ได้นะ ที่แรเป็นครูที่ดุนะพวกความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียพวกนี้เนี่ยคือเป็นครูที่ดุนะให้การบ้านหนัหนกๆแก่เราการบ้านแบบนี้เราไม่ชอบแต่เราต้องทําเพราะถ้าเราไม่ทําวันนี้ก็จะไม่มีปัญญาเอาไว้รับมือกับการบ้านที่หนักๆ ห, หรือบททดสอบที่หนักที่สุดในวันหน้าบทที่สอบบททดสอบที่หนักที่สุดยังยังมาไม่ถึงนะคือความตาย แต่ต้องมาแน่งั้นตอนนี้เราฝึกบ้างหรือเปล่านะฝึกทําบททดสอบบ้างหรือเปล่าหรือว่าเอาแต่นี้เอาแต่เลี่ยงเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ครูให้การบ้านมันก็ไม่ทําบางทีก็ไปลอกเพื่อนมาจะไม่มีทางเจริญได้จะไม่มีทางฉลาดได้คนที่ฉลาดนี่เขาเจอกันบ้านหนั ก, นกๆยากๆเขาก็จะทําด้วยตัวเอง ถึงแม้จะทำไม่ได้แต่ว่าทำบ่อยๆก็จะทำได้เองและพอทำได้ต่อไปเจอกันบ้านที่หนักกว่านี้นก็จะรับมือได้ถ้ามีคนหนึ่งเขาโทรศัพท์มือถือเขาหายเป็นสมาร์ทโฟนราคาแพงเป็นหมืน่นเสียใจไม่รู้เสียดายเงินหรือเสียดายข้อมูลในนั้นก็ ทำยังไงอะ่ะก็อยากจะได้คืนเขาก็เลยไปหาหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เขาล่มเลือนว่าท่านนั่งทางหนเก่งอยากจะให้ท่านนั่งทางหนว่าจะได้คืนไหมหรือว่าขอายที่ไหนทำไงถึงจะได้คืนไม่ได้ไปหาตำรวจนะพึ่งไม่ได้ต้องไปหาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อท่านก็ พอได้ฟังท่านก็ไม่ถามว่าหายที่ไหนยี่ห้ออะไรท่านถามว่ามีทองไหมมีครับเออต่อไปก็หายเหมือนกันมีรถไหมมีครับต่อไปก็ไปเหมือนกันนะมีแฟนหรือเปล่ามีครับเออต่อไปก็หายเหมือนกัน เจอแบบนี้เข้าท่านผู้ชายคนนี้เลิกเลิกล ก, ก็กราบหลวงพ่อทันทีเลยนะไม่อยู่ต่อแล้วไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะเจ อ, อคำถามที่หนักกว่า น, นี้แต่เพราะได้คิดขึ้นมาว่าต่อไปเลยต้องสูญเสียมากกว่า น, นี้ วันนี้ยังโชคดีนะเสียแค่โทรศัพท์ต่อไปจะเสียหนักกว่า น, นี้เพราะว่ามันคือธรรมดาลโลกแต่ว่าคนเรามักจะไม่ได้คิดยัง ค, คิดว่าสิ่งทั้งหลายมันจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะฉะนั้นพอโทรศัพท์หายก็ยอมรับไม่ได้ก็ดิ้นลนพยายามที่จะหามาแต่ไม่ได้คิดเลยว่าจริงนี่มันเป็นแค่สัญญาณเตือนว่าต่อไปจะสูญเสียหนักกว่า น, นี้ หลวงพ่อได้ก็มาช่วยเตือนสติเขาทำให้เขาได้คิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดปัญญาก็ได้ว่าเออจะต้องเสียมากกว่านี้และที่เสียแค่โทรศัพท์ยังเล็กน้อยมากอันนี้เขาก็เลยทำใจได้ปล่อยวางปล่อยวางโทรศัพท์ไปหาเอาใหม่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเส้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่า การเสียโทรศัพท์นี้เป็นเครื่องฝึกใจเราให้รู้จักปล่อยวางเราต้องหัดทำอย่างนี้บ้างนะอยู่ที่นี่ก็ทำได้เวลาเราทำงานมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันโกรธโมโหจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้แสดงว่าสอบตกแล้วเพราะว่า เรื่องที่กระทบกันทั่งกันมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่และรู้หรือเปล่าว่าต่อไปจะเจอหนักกว่า น, นี้เพียงแค่เถียงกันเรื่องทำงานคนละแบบคิดไม่ตรงกันก็เสียใจโมโหแล้วต่อไปจะรับมือกับเรื่องที่มันหนักๆได้อย่างไรเช่นคนรักตายจากไปหรือว่า เวเงเกิดเป็นโรครายขึ้นมาคนเรายัางไงก็หนีไม่พ้นนะทำดีแค่ไหนปฏิบัติธรรมมามากแค่ไหนอย่าคิดว่าจะคล้าวคลาดจากเรื่องพวกนี้ได้บางคนเป็นมะเร็งก็เสียใจว่าฉันทำดีมาตลอดทานก็ทำศีลก็รักษานะ ไม่เคยด่งพร้อยทำไมฉันถึงเป็นมะเร็งอันนี้เราไปคิดว่าถ้าถ้าให้ทารักษาสีแล้วจะแคล้วคลาดจากความเจ็บความป่วยได้อันนี้แสงก็ไม่ฉลาดแต่คนเราก็หวังแบบนี้เราลืมไปว่าขนาดภรริยเจ้าพาระหันยังยังเป็นมะเร็งได้เลย และเราเป็นใครมาจากไหนถึงคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไม่ได้แค่ให้ทารักษาศีลเป็นแค่ปุถุชนก็ยังเรียกร้องจากบุญจ า, จากกุศลว่าจะต้องไม่เป็ น, นโน่นไม่เป็นนี่จะต้องไม่บางคนก็ลึคิดลึ่งว่าจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยซ้ำบุญกุศลไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้ามันจะช่วยได้ก็ตรงที่ว่าช่วยทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถที่จะมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นครูว่าเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นเทวทูตเพื่อให้เราเข้มแข็งแล้วก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้และถ้าเราทำใจแบบ น, นี้ได้นต่อไปเหตุการณ์เหล่านี้ ความทุกข์เหล่านี้จะไม่ใช่เป็นแค่ครูแต่ว่าจะกลายเป็นมิตรความเจ็บความป่วยก็กลายเป็นมิตรความตายก็เป็นมิตรได้เราต้องฝึกนะที่จะเป็นมิตรกับความเจ็บความป่วยต้องเป็นมิตรกับความตายให้ได้ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็หนีความทุกข์ไม่พ้นต้องเป็นมิตรกับความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียเป็นมิตรกับความตายให้ได้ เราถึงจะตายได้อย่างสงบตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมเป็นมิตรกับสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่ถึงตายไม่สงบตายทุรนทุรายหรือว่าทุรนทุรายตั้งแต่ตอนเจ็บตอนป่วยแล้วถ้าทำให้ดีมองให้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรกับเราหรืออาจจะเป็นถึงกาลยานามิตรด้วย เป็นกัลยะาณมิตรนะที่ทำให้เราเกิดปัญญาพระอาหารหันต์หลายท่านบรรลุธรรมได้ไดก็เพราะว่าเจอความเจอความป่วยขนาดหนักนะความปวดจากโรคทุกขเวทนาจากอาพาธต่างๆอย่างพระติสานี้ก็บรรลุธรรม เป็นผ้ารัานขนาดที่สิ้นลมก็เพราะความเจอความปวดขนาดที่เรียกว่าแผลเต็มตัวน้ำหนองไหลนอนอยู่บนอนอนจมนะอุจจาระปัสสาวะไม่มีใครจะดูแลจนพระพุ ต, ต้องต้องมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซั์ไปต้มนะ แล้วก็ดูแลร่างกายให้ดีทุกคนเวทนาก็มีอยู่แต่พอใจเริ่มสบายฟังธรรมจากพระองค์น่ะคนเราเมื่อตายไปแล้วเมื่อเมื่อวิญญาณออกจากร่างก็เหมือนก็ท่องไม้ไม่มีประโยชน์ไอ้ร่างกายที่เรารักที่เราหวงแหนถึงเวลามก็ไม่มีค่าไม่ต่างกับท่อนไม้ อันนี้ขยายความนะพระองค์ตัดไม่ตัดสั้นๆ น, น, นะซึ่งเป็นที่มาของบางสกุลเป็นคาถาบางสกุลเป็นเนี่ยอาจจะดังวตยังกยโยปัทวิงอธิเสสติชุทโอะอเปตาวิญญาณุนิรัตังวกริงครังันตัดเท่านี้แหละปฏิศาก็ซึ่งกําลังถูกทุกขเวทนาบีบขั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็สิ้นลมไปพร้อมๆกันคือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะไม่บรรลุธรรมก็ได้ เหมกับพระเจ้าสุดโธทธนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันในในช่วงที่ป่วยหนะักบรรลุธรรมเสร็จก็มรณะสิ้นพระชนในวันนั้นเลยในเวลานั้นเลยไมมีหลายท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันได้ก็พราความเจ็บความปวดทุกขเวทนาที่แรงกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงเรียกว่าเป็นเป็นมิตรกับเราได้คือสามารถจะเป็นปัจจัยให้ไปสู่ ผนิพานได้เั้นถ้าเรารู้จักมองให้เป็นไกรยานามิตรนะนะก็ได้ทั้งหมดของพรหมจรรย์อย่างที่เราได้ได้สวยกรรมกีนี้กรยานามิตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งของเป็นหนังสือหนังสือก็เป็นไกรยานามิตรได้หรือว่าซีดีอันนี้ก็รวมไปถึงความเจ็บความป่วย ความพลากพลาหรือความทุกข์นะพูดง่ายๆก็เป็นไกลในมิแก่เราได้นะทำให้เกิดปัญญาแลวเมื่อเกิดปัญญาถึงขั้นหลุดพ้นนี่ก็เรียกว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผิวหนังไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะ ไม่ได้แปลว่าร่างกายนี้ยังเต่งตึงหนุ่มสาวสวยงามหรือว่าไม่มีวันสิ้นลมไม่ใช่เนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายที่ที่เราในทางพุทธศาสนาหรือที่เราสอนเมื่อกี้นี้ว่าพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยหมายความว่ามันมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่มี ผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายอันนี้คือความหมายที่ว่าพ้นจากความตายคือไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแล้วมมีแต่มันมีแต่ความตายมันมีแต่สภาวะแต่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสภาวะนั้นทัานที่ตายมันก็ตายแต่ร่างกายซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีความรู้สึกว่าฉันตายมีแต่ร่างกายที่เปื่อยที่หมดลมแล้วก็เน่าไปนะ แต่คนส่วนใหญ่ยังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังมีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูอยู่และที่ยึติก็เพราะว่าไม่เคยสังเนียกเลยว่าธรรมชาติสอนทมแก่เราตลอดเวลาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุ่มเป็นอนัตตาธรรมชาติที่เห็นด้วยตาว่าคนนั้นก็ป่วยคนนี้ก็เจ็บคนนี้ก็ตายไม่ใช่แค่นั้นธรรมชาติของตัวเราเองในร่างกายสังขารนี้มันก็ สอนเราตลอดเวลาเดือเพเนยามทุกในยามป่วยทรัพสมบัติทั้งหลายมันก็สอนเราตลอดเวลาว่านี่ไม่ใช่ของมึงนะนี่ไม่ใช่ของมึงแต่เราก็ไม่ยอมฟังพอของหายไปก็ยังเศร้าเสียใจพอคิดว่าของกูของกูของกูบา ง, งทีมันถูกไหม้เป็นไฟไหม้เป็นถูกเผาเป็นจุนละก็ยังไม่ยอมวางว่าเพี้ยงคิดว่าของกูของกูงนั่นแหละ แต่ธรรมชาติเขาบอกว่าไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของมึงร่างกายนี้ก็เหมือนกันเขสอนเราตลอดไวแล้วไม่ใช่ของมึงแต่ก็ไม่เคยสะดับตับฟังมันก็เลยยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเส็จแล้วก็เลยทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยความตายแต่ถ้าเราสนับตับฟังแม้ว่าเสียงมันเสียงตะโกนมันจะไม่ไพเราะ เหมือนดาราเหมือนคนที่เขาพูดพ่อๆกับเรานะธรรมชาติบางทีก็สอนเราหนักๆแรงๆเหมือนครูที่ดุครูที่ก็โชคโหกห้างแต่ว่าถ้าเราฟังให้ดีเราก็จะเกิดปัญญาแล้วเราก็จะเข้มแข็งบางทีคนเราจะนักเรียนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องเจอครูดุๆนะนะอาตมาก็โชคดีเจอครูดุๆมาเยอะ ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ครูเหล่านั้นบางทีก็ก็แย่เหมือนกันและพอเราโตขึ้นก็รู้ว่าครูเหล่านั้นเนี่ยปากายใจดีที่ที่ดุเรานี่ปากร้ายใจดีทั้งนั้นนะความทุกข์อาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเป็นครูที่ดุแต่ว่าร้วนแล้วแต่มีเจตนาดีคือเพื่อให้เราได้เห็นธรรม จนกรทั้งสามารถที่จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้สดับตับฟังเสียงเทวทูตแล้วก็เปิดใจรับคำคำเตือนเทวทูตอยู่ตลอดเวลานะทั้งที่อยู่นอกตัวเราแล้วก็ที่ที่เป็นสังขารของตัวเราหรือทีอ่เราเห็นอยู่ทุกวีทุกวันเราก็พูดกันเท่านี้ะกลับครับ